ภูพานหรือตามชื่อที่เรียกมาแต่โบราณอีกชื่อหนึ่งคือภูกรูเวียนนะคะเป็นแนวเทือกเขาครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดค่ะตั้งแต่ตะวันออกแนวแม่น้ําโขงจังหวัดมุกดาหารนครพนมสกลนครกราลสิน์ถึงแนวตะวันตกขอนแก่นและก็อุดรธานีค่ะแต่ว่าส่วนมากคนจะเรียกภูพานที่อยู่เขตสกลนครเป็นส่วนใหญ่แต่ละแห่งก็จะมีความลึกลับหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับพบภูมิอันลี้ลับเทวดาลุกขะเทวดาแดนเมืองบางบท พญานาคพญาครุฑกุมภกรรตคนทันนางไม้หรือพูดผีปีศาจอสุรกายนะคะก็ยังพอมีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆสาหรับผู้คนในหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวเข่าแล้วก็คนต่างถิ่นที่ผ่านไปมาหากไม่ประสบพบเจอด้วยตัวเองคงยากที่จะเชื่อได้นะคะแต่ว่าจะมีบ้างค่ะที่ไม่เชื่อของการมีอยู่จริงของภพภูมิเหล่านี้เพราะว่าหลายๆคนนะคะก็ไม่เคยเห็น แต่ก็มีคําพูดคํานึงที่คอยเตือนเสมอของการมีอยู่จริงของพวกภูมินั่นคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ซึ่งก็ยังใช้ได้ไม่มีวันตกยุคสมัยมาตราบจนปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องเล่าพูดพยักลายพาดกลอนเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะคะภูพานกับปัจจุบันเนี่ยความหนาแน่นของป่าแตกต่างกันมากเลยนะคะแม้ว่าจะมีนักค้าไม้แอบลักลอบไปตัดไม้บ้างทราบจากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่จะเห็นอยู่บ่อยๆแต่ว่าป่าก็ยังคงหนาแน่นเต็มไปด้วยต้น ตนไม้น้อยใหญ่ในดงลึกถ้าได้เข้าไปเนี่ยจะต้องใต้สัมผัสแล้วก็ยังคงความเย็นยเยือกอยู่เลยโดยเฉพาะเวลากลางคืนค่ะบนถนนสายหนึ่งที่เชื่อมต่อกัน ร, ระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดกาลสินถนนเส้นนี้มีตำนานการสร้างมาอย่างยาวนานพร้อมกับความลึกลับของป่าเวลากลางคืนแทบจะไม่มีรถยนต์สวนทางกันเลยนะคะ ข้าพระเจ้ามีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกันไม่นานแต่ว่าก็พอสนิทกันไปมาหาสู่กันพอสมควรตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันเขาได้มาลงทุนเปิดกิจการประเภทหนึ่งที่จังหวัดสกลนครจําเป็นต้องใช้เส้นทางไปกลับข้ามเขาภูพานจากจังหวัดกาลสินเข้าสู่สกลนครทุกสัปดาห์ตามงานภารกิจที่จําเป็นและไม่จําเป็นบ้างไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ำไปได้ทุกเวลา และแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสได้สนทนากันระหว่างโต๊ะอาหารเขาก็ได้พูดคุยสัพเพเหระกับข้าพเจ้าไปเรื่อยแล้วก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ขนหัวลูกให้ฟัง วันนึงช่วงหน้าฝนปี2546มีโทระช่วงบ่ายต้องเดินทางออกจากสกลนครข้ามเขาภูพานไปยังจังหวัดกาลสิน์เมื่อรถแล่นไปถึงเขตตำบลสร้างคออำเภอภูพานช่วงรอยต่อจะเข้าเขตอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะเป็นเวลาพลบขํามพอดีก็จะเข้าป่าในอีกด้านหนึ่งของภูพานโดยมีเพื่อนร่วมทางเป็นผู้หญิงไปด้วยกันนานๆทีจะมีรถสวนกันสักคันหนึ่ง รถยนต์วิ่งตามเส้นทางที่คดเคี้ยวบางครั้งก็รู้สึกได้ถึงความวิงเวียนปันป่นป่วนทั่วตัวหากเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านไปมาบ่อยๆซึ่งรถยนต์ไม่ได้ไปเร็วมากเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยมีทั้งโคง้งคดเคี้ยวหักศอกบางแห่งข้างทางก็ชันเห็นมีเศษกระจกเศษอะไรต่างๆตกกระจายตามรายทางที่ประสบอุบัติเหตุก็มีทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวในการขับรถเป็นอย่างมาก ความมืดเริ่มสลัวเข้ามาแทนที่ก็เริ่มเปิดไฟรีก่อนตามด้วยไฟปกติสองทางหากว่าเปิดไฟสูงเนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นระยะทางได้ไกลเป็นหลายร้อยเมตรทีเดียวแต่ก็เหมือนมีฉากกาั้นให้ทำทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองไปไกลได้ตามสภาพถนนเพราะว่ามีแต่ป่าหนากับความมืดครอบคลุมไปทั่วเมื่อรถแล่นผ่านโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่จุดสูงสุดบนเทือกเขาภูพานอยู่เขตรอยต่อของ2จังหวัด แสงไฟก็ไปกระทบกับสิ่งหนึ่งเบื้องหน้าอยู่ทางด้านขวาบริเวณเลยไหลาทางไปนิดหนึ่งก็ทําเอาเพื่อนร่วมทางที่ไปด้วยเนี่ยถึงกับนิ่งอึง้งขนลุกชันว่าวิวชั่วครู่เหมือนกับว่าสัมผัสกับวิญญาณสิ่งที่เห็นนั่นคือตัวอะไรละ่ะขนาดใหญ่นั่งนิ่งชันขาหน้านั่งทับขาหลังสองข้างพร้อมที่จะกระโดดมีอาการนั่งนิ่งเฉยหางโค้งงอขึ้นเล็กน้อย ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นเลยเป็นไปได้หรือนี่แสงไฟส่องกับความมืดสลัวยังไม่มิดเท่าไหร่รถก็วิ่งได้ไม่ค่อยเร็วมากนะักเพราะว่ า, าทางเลยทางโค้งมานิดเดียวดูสีขนลายเหลืองส้มสลับกับดำหรือว่านั่นเป็นเสือลายพาดกรอนในตำนานภูพานสมัยก่อนที่เคยได้ยินได้ฟังมา ดูลำตัวขนาดใหญ่มากขนาดรถแล่นผ่านหน้าที่มันนั่งอยู่มันก็ทำท่าอ้าปากแยกเขี้ยวสีขาววาววับเหมือนกับอ้าปากขาาบิดขี้เกียจแล้วก็งับลงเฉยๆเหมือนมองดูเราด้วยอาการปกติไม่มีตื่นตกใจอะไรแตกต่างกับเราที่นั่งรถมานี่หัวใจหล่นตุ๊บตับ หนาวจับคั่วพร้อมกับกลั้นลมหายใจใส่คันเร่งรถอย่างเร็วอยากจะลัดโค้งไปให้หวายปานลมพัดปรือไปเลยเห็นกับตาทั้งสองคนแต่ว่าไม่กล้าจะหันกลับไปมองข้างหลังก็ได้แต่ท่องภาวนานโมพุทโธกว่าจะไปตั้งหลักได้ก็ที่ตลาดอำเภอสมเด็จแอร์รถยนต์หนาวเย็นขนาดนี้แต่ว่าเราสองคนเนี่ยเหงื่อแตกพลัก พร้อมกับสนทนากันไปในรถว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเสือลายพาดกลอนตัวเขื่องขนาดนี้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าป่าภูพานในปัจจุบันแม้แต่หมูป่าเก้งกวางก็หายากเต็มทีแต่ว่าไม่เคยได้ยินมานานแล้วว่ามาีพวกเสือพวกอะไรอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงก่อนพศส5 0 0ป่าหนารกชัดก็พอว่าแต่เนี่ยเป็นพศ2546เป็นไปได้อย่างไรหรือว่ามันแหกกองขังของเจ้าของเอามาปล่อยหรือ ว่ามันมาจากฝั่งลราเพื่อนบ้านมาตอนกลางคืนแบบไม่มีใครรู้ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็อดตื่นเต้นไม่ได้อีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็มีบ้านอยู่เขตอำเภอใกล้ๆแถวนั้นด้วยหรือมันคืออะไรกันละ่ะ เรื่องนี้แม่ค้าพเจ้าจะมีบ้านอยู่แถบนั้นก็จริงแต่ว่าไม่เคยได้ยินเรื่องราวของเสือที่ภูพานมาก่อนแล้วก็พรานป่าหลายรุ่นแล้วไม่เคยเล่าเรื่องเสือให้ได้ยินตราบจนปัจจุบันนี้และค้าพเจ้าก็เคยเดินป่าภูพานมานับไม่ถ้วนแล้วเพื่อนก็เล่า ว, ว่านี่เป็นเรื่องจริงของจริงที่ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นเหมือนกันและที่สําคัญตรงจุดนั้นก็เป็นที่ทําการของอุทยานแห่งชาติของกรมป่าไม้ด้วยจะมีเจ้าหน้าที่ประจําแวะเวียนไปมาอยู่เสมอ แต่ที่สังเกตรบริเวณนั้นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิด 2-3 สาคนโอบเลยนะคะหลายต้นเลยค่ะหลายคนมาล้อมกันยังไม่มิดเลยนะเรื่องนี้แม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอแล้วก็เพื่อนของข้าพเจ้าเนี่ยกอ็อาจจะไปพบเจอกับมิติของโลกอื่นโดยบังเอิญหรืออาจจะพวกเขาออกมาทักทายสันประสาทาให้หลอนกันเล่นๆก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะซึ่งมาตอนหลังก็ได้เฉลยต้นของเรื่องมาภายหลังนี่เอง แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วไม่แปลกใจเลยเพราะรู้ในใจแล้วว่ามันเป็นอะไรและจากครูบาหลวงพี่ก็เขตนั้นเป็นเขตภูมิอันญีลับของผีบังบทหรือเมืองลับแลวันดีคืนดีเขาก็จะมาให้เห็นเป็นอะไรแปลกๆเสมอหากท่านได้ผ่านเส้นทางนี้ยามค่ำคืนก็ขอให้มีสติแผ่กุศลผลบุญไปให้เขาบ้างตลอดเส้นทางนะคะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อปี2551ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองระหว่างที่ข้าพเจ้ามีโอกาสย้ายหน้าที่การงานไปอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกาลสินก็ต้องเดินทางเที่ยวไปเที่ยวมาไปหาครอบครัวที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดสกลนครทุกสัปดาห์ในช่วงของวันศุกร์หลังเลิกงานเป็นอันต้องขับรถข้ามเขาภูพานแล้วก็วันจันทร์นี่ก็ต้องเดินทางแต่เช้ามืดเลยนะคะเพื่อข้ามเขาจากจังหวัดสกลนครเข้าจังหวัดกาลสิน์ค่ะ การเดินทางยามเช้าของข้าพเจ้ามักจะพบเห็นพระมายืนรอรับบิณฑบาตตามเส้นทางบนเขาภูผานเสมอข้าพเจ้าก็มีจิตฝ่ายทางพระอยู่แล้วก็เลยต้องเตรียมทุกเช้าวันจันทร์เนี่ยจะต้องมีอาหารมีสำรับกับข้าวของใช้บ้างไว้เตรียมใส่บาตรพระตอนเช้าที่ท่านออกรับบิณฑบาตเพื่อสุริมงคล การเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะซึ่งทุกเช้าก็จะมีพระหลายองค์ที่ออกมายืนตามรายทางบนเขาภูพานทีแรกเนี่ยก็ไม่เลือกใส่ทุกองค์จนกว่าของที่เตรียมมาหมดจุดละองค์ถึง 3-4 องค์ก็มีแต่ที่สนใจก็ตรงบริเวณจุดสูงสุดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด ข้าพเจ้าได้ทำเป็นประจำทุกวันจันทร์ระหว่างเดินทางจนรู้จักมักคุ้นกับพระท่านองค์หนึ่งเป็นอย่างดีท่านเป็นพระหนุ่มอายุประมาณ30ปีเศษนานเข้าก็สนิทกันก็สอบถามจิปาทะเรื่องราวในป่ามีทั้งเรื่องความอาถรรพ์ผีสางคางแดงจนท่านเล่ารายละเอียดการอยู่ป่าให้ฟังทีละเล็กทีละน้อยจนข้าพเจ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นความเป็นอยู่ในป่าวัดข้อปฏิบัติพระป่าอยู่องค์เดียวมาสี่กว่าปีแล้ว ที่ถ้ำห่างจากจุดถนนประมาณ 2-3 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าประมาณ 1-2 ชั่วโมงท่านบวชมาจากครูอาจารย์อำเภอโนอนสะอาดจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าบ้านเกิดของท่านเนี่ยคือเป็นคนกาละสินได้หาที่บำเพ็ญพำนักมาเรื่อยๆจนปลีกตัวมาหาความวิเวกในป่าภูพานการขบฉันวันๆก็อดบ้างอิ่มบ้างตามชีวิตพระป่าแต่ก็ไม่เป็นปัญหาด้านความเป็นอยู่เพราะว่าท่านอยู่ด้วยจิต อยู่ด้วยธรรมตามรอยพระพุทธองค์ศาสดาโลกเพื่อหวังพระนิพพานเป็นจุดหมายวันหนึ่งช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะคะช่วงกลางปี2 5 5 4ั้าข้าพระเจ้าได้เตรียมเครื่องสำรับไปปฏิบัติธรรมมีมุม้งกลดเครื่องใช้ประจำตัวเข้าพักวิเวกตามรอยครูบาอาจารย์ที่เคยไปมาหลายแห่งหลายปีแล้วเช้าวันนั้นก็ได้เดินทางบุกป่าไปสนทนากับท่านถึงถ้ที่ท่านอยู่ตามที่ท่านเคยบอกไว้ ลักษณะเป็นโพรงหลบถ้ำลึกเข้าไปข้างในอากาศที่ถ้ำนี่ก็เรียกว่าเย็นสบายมีน้ำไหลออกจากถ้ำน้ำเนี่ยใสยเย็นเหมาะกับการภาวนายิ่งนักเลยท่านว่าส่องไฟฉายเข้าไปทีไรหลอดไฟต้องขาดทุกทีเมื่อข้าพเจ้าทดสอบส่องไฟฉายที่เตรียมมาเข้าไปในความมืดก็เป็นเหมือนที่ท่านบอกเลยนะบอกว่าหลอดไฟฉายเนี่ยมันจะขาดจริงๆแล้วพอส่องเข้าไปปุ๊บ มันก็ขาดทันทีเป็นที่น่าแปลกใจและอาศาัศจรรย์ใจยิ่งดีที่เตรียมหัวเทียนสำรองมาด้วยบรรยากาศข้างในเนี่ยลึกลับบรรยายนิ่ถูกพอตกเย็นมาวันนั้นท่านก็เตรียมต้มน้ําร้อนพร้อมกับยาสมุนไพรให้ดื่มแบบป่าแบบชาวบ้านเมื่อมาใหม่ๆที่ถา้านี้ท่านบอกว่ามีความลึกลับในตัวบางวันจิตสงบเคยได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระแสของภูเขาแผ่นดินไหวทั่วโลกก็ยังมีมันดังเป็นคลื่นอยู่ด้านล่าง ครั้งหนึ่งตอนมาอยู่ใหม่ๆตกกลางคืนก็ได้นิมิตเห็นหญิงสาวนางหนึ่งสวยงามยิ่งนักมาชอบมาอยากได้พระหลวงพี่ไปอยู่ด้วยก็พยายามจะมุดมุ้งกลดเข้ามาให้ได้แต่ท่านก็ขู่อยู่บอกว่าห้ามเข้ามานะไม่กลัวบาปเหรอแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่สนคนะ่ะท่านก็ระวังตัวของท่านด้วยหากเข้ามาต้องทาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ ผู้หญิงนางนั้นไม่ฟังก็เปิดมุ้งกรดเข้ามาหาท่านทำมายาภาพหญิงสวยงามยิ่งนักหากเป็นหนุ่มชาวบ้านได้มีหวังทําเป็นเมียแน่เลย ท่านก็เลยใช้เท้าเนี่ยถีบออกไปไม่รู้ถูกตรงไหนบ้างทําให้หญิงนางนั้นกระเด็นออกไปตกแอ่งน้าข้างกรดที่ไหลออกมาจากปากถ้าแล้วก็หายไปจนกระทั่งเช้าวันใหม่กำลังเตรียมตัวออกจากถ้าไปบินธบาทก็ได้เห็นงูตัวหนึ่งสีดำมัเมื่อมขนาดเท่าแขนเด็กยาวประมาณ1เมตรก็เลยใช้ไม้เขี่ยดูนอนตายอยู่ข้างแอ่งน้าเล็กๆที่ไหลออกมาจากถ้า พิจารณาดูแล้วไม่เคยเห็นงูชนิดนี้มาก่อนที่มีสีดำมาเมื่อมบนหัวเนี่ยมีงอนหยกัยกๆยักแดงๆดงําำ ด, ด, ดคล้ายกับงอนไก่ก็เลยใช้ไม้เขีย่ยเอาออกไปทิ้งนอกถ้ำแล้วก็ไปทำข้อวัดปฏิบัติตามปกติประจำวันพอตกกลางคืนมาก็นิมิตเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหลายคนเนี่ยเดินออกมาจากถ้ำ มาถึงก็นั่งกรมลงกระดาบพร้อมขันดอกไม้มีผู้นําได้พูดขึ้นมาบอกว่าเขาเนี่ยมาจากเมืองรับแลพญานาคอยู่ในเมืองหลังม่านถ้านี้วันนี้เนี่ยมาขอขมาท่านแทนลูกสาวที่มาล่วงเกินท่านเมื่อวันก่อนท่านว่าท่านเองก็งงเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มาทําท่านเมื่อวานไงที่เห็นเป็นงูสีดํานั่นแหละอ๋อท่านถึงได้เข้าใจ เขาได้เชิญท่านเข้าไปในเมืองของเขาด้วยแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินท่านเล่าให้ฟังว่าได้เข้าไปในเมืองของเขาหรือไม่การคุยในค่าคืนนั้นก็ออกรถออกชาติชนิดว่ามันหยดพอสมควรแล้วก็ต่างแยกย้ายกันไปพักคนละที่กับท่านสําหรับข้าพเจ้าต้องเดินตามไหลเขาเลียบเลาะโขดหินผาสูงขึ้นไปอีกห่างไกลจากถ้าประมาณ500เมตรโอ้โหทั้งกลัวทั้งหวาดหวั่นใจพิลึกกึกกือเป็นครั้งแรกที่เผชิญความกลัวแบบสุดๆแต่ก็ทําใจดี สู้เสืออย่างเดียวมาแล้วถ้ากลัวตายก็ต้องตายอยู่ดีอยู่ที่ไหนก็ต้องตายทุกคนเกิดมาก็ต้องตายการตายมีครั้งเดียวความกลัวถึงขีดสุดยังไงก็ไม่ถอยแล้วตายเพื่อธรรมะไม่ขายหน้าแน่นอนเมื่อคิดแล้วก็พิจารณาทบทวนไปมาหลวงพี่ท่านก็มาอยู่องค์เดียวที่นี่ทําไมท่านถึงกล้านักอยู่ได้ไม่เห็นเป็นอะไรก็มีผีเป็นเพื่อนเราจะเป็นอะไรไปถึงจะหนีก่อน พระทั้งที่ยังไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นผีสางคางแดงที่ไหนกลัวไปก่อนแล้วยังไงผีก็ต้องรู้จักเราบ้างคงไม่ทำอะไรหรอก เดินทางมาถึงกระท่อมเล็กๆยอดเขาป่าใหญ่บนภูผานก็อดที่จะเหลียวมองซ้ายมองขวาบ้างหลับตาบ้างใจวิววิวมีต้นไม้ใหญ่ๆหลายต้นหนาๆหลายคนโอบเห็นแต่เงาดําทมึนตะคุ่มเสียงลมวิดวิวเย็นเยือกลอยมามองตามแสงไฟไปก็เห็นหลังคากระท่อมมุงด้วยหญ้าคาฝาใบาไม้แห้งเคล้ากันกับเสียงลมพัดอุ้อี้ตลอดเวลาสติก็ขาดขาดเกินๆก็รู้สึกว่ามีบางอย่างคอยจับความเคลื่อนไหว จ้องมองลายล้อมอยู่ตลอดเวลาแอบซ่อนตัวบังอยู่ข้างต้นไม้ก็มีขึ้นนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้ก็มีจิตมันคิดจินตนาการปรุงแต่งหลอกตัวเองไปไกลกว่าจะตามมาได้ก็เหงื่อแตกพลักจะเห็นไปก็กลัวซะหน่อยยี่ห้อคนเราเนี่ยเขาจะหัวเราะเยาะได้อยู่ได้ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไป นั่งพักส่องไฟหาเผื่อมีเจ้าที่อยู่ก่อนแล้วก็กล่าววาจาต่อภูมิสถานที่ขอพักชั่วคราวสักวันแล้วก็จัดสถานที่กลางมุง้งแขวนกลดเข้านั่งในกลดแล้วก็ตั้งจิตแน่วแน่อันเชิญบารมีของพระพุทธองค์พระธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งอดีตและก็ปัจจุบันส่งกระแสพลังบุญมาดูแลครอบคลุมอาณาเขตบริเวณนี้เริ่มต้นก็ไร้คาถาภาวนาคาถามหาเวทลึกลับของครูบาอาจารย์นำบทอยู่ฝ่าทุกบท แล้วก็แผ่กุศลคุณธรรมความดีทั้งหมดส่งกระแสจิตภายในออกไปให้ถึงภายนอกนะคะแล้วก็สู่สภาวะความปรารถนาดีไปยังทุกอนุอากาศรอบๆตัวออกไปแบบไม่มีประมาณตั้งสติแนบแน่นไม่ให้เผลอไปได้หากเผลอที่ไรความกลัวมันเข้ามาแทนที่ การสู้เผชิญกับภาวะความกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อถึงขีดสุดแล้วก็คงคลายลงเหลือแต่ความนิ่งวางเฉยพิจารณากลับไปกลับมาแต่ก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีหากไม่พบสภาวะกับตัวเองแล้วนำความรู้สึกมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้มันช่างแตกต่างกันลิบลับเลยกับความเป็นจริงค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆที่เขียนลงมาให้เราได้นำมาให้คุณมู้ฟังได้ฟังกันนะคะจากคุณแจ็คขอบคุณมากค่ะ ความลึกลับแห่งเทือกเขาภูพานพร้อมกับเรื่องเล่าแก้วหยาดน้ําค้างของวิเศษ ท, ที่ซ่อนเร้นภายในภูพานโดยหลวงปู่โชธนะคะเคยบอกไว้ใครที่ได้ครอบครองเนี่ยจะบรรดาลความสําเร็จมาให้เรียกว่ามนฑลขลังแดนธรรมแห่งเทือกเขาภูพานอันเต็มเปี่ยนไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติความสปายะที่พระธุดงค์กรรมฐานในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้บําเพ็ญภาวนาในสถานที่แห่งนี้มาแล้วนักต่อนักค่ะ อีกทางเทือกเขาภูพานนียังมีสิ่งเร้นลับมากมายหลายพบภูมิที่เล่าขานกันมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอัศจรรย์ของแก้วหยาดน้ำค้างหรือว่าแก้วสารพัดนึกของวิเศษบนเทือกเขาภูพานที่ใครต่างก็อยากได้มาครอบครองนะคะ เรื่องของแก้วหยาดน้ำค้างหรือว่าแก้วสารพัดนึกเนี่ยนะคะบีเองก็นำมาจากเรื่องของขุนคำจิตตจักค่ะซึ่งลงพิมพ์ในนิตยสารมหามงคลฉบับที่3ฉบับที่4แล้วก็ฉบับที่10ในปี2 5 0พาอ่าขออภัยค่ะ 2,553 นนะคะโดยใจความนะคะว่า ก่อนอื่นขอเรียนว่าเทือเขาภูผานั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือสูต่ตะวันออกเฉียงใต้โดยเริ่มจากจังหวัดอุดรธานีผ่านกาลสินนครพนมมุกดาหารแล้วก็เป็นถิ่นภูเขาดั้งเดิมตามตำนานอันมีชื่อว่าภูกรูเวียนซึ่งเกิดจากอนุภาพของสุวรรณนาคซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขา ว, วงใหญ่ส่วนเทือทิวเขาเล็กก็มีลักษณะเป็นเขา ว, วงก็ยังมีปลีกย่อยออกไปอีกเช่นบริเวณพื้นที่อำเภอเขา ว, วง ถ้ามองจากระดับสูงของภูผานไปทางเขตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกาฬสินทรนะคะก็จะเห็นทิวเขาริบลับอยู่สุดสายตาที่ทอดตัวยาวเป็นแนวโค้งโอบล้อมไปทั้งสองด้านซึ่งแนวทิวเขานี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นวงล้อมรอบอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ทั้งหมดของอำเภอเขาวงไว หากเดินทางตามถนนมิตรภาพจากอำเภอสมเด็จมุ่งหน้าไปทางภูผานราชนิเวศพอถึงบ้านสร้างค้อตรงฝั่งขวาก็จะมีทางแยกไปอำเภอเขาวงคำเล่าลือในเรื่องนี้เท่าที่ผู้เขียนคาดคะเนก็คงอยู่ในระหว่างปี2 5 0 5ถึง2520 เป็นช่วงเวลาที่ผู้เขียนนี่ยังเด็กแล้วก็ได้ยินเรื่องแก้วไปเล่นตามบ่อหินในคืนวันเพนจากสำเนิน อ, อุปถากแล้วก็ลูกศิษย์พระป่าในช่วงเวลานั้นก็มีพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจ่าริทธุดงแล้วก็จําพรรษาอยู่แถบเทือกเขาภูพานเป็นจํานวนมากจึงเป็นที่เข้าใจกันแน่ ว, ว่าอยู่แถวแถวภูแฝกภูเคาะภูจอกก่อภูผากูดแล้วก็ภูหังนั้นมีปรากฏการปฏิหารเกิดขึ้นค่ะเรื่องของพบภูมิมากมายเลย ขณะเดียวกันในวงการของผู้เสาะหาของวิเศษก็มีไม่น้อยจากคำร่ำลือเรื่องแก้วหยาดน้ำค้างผู้คนได้ร่ำลือว่าที่ภูเขาแถบนี้ในยามค่ำคืนคือวันเพ็ญ15บ้า่ำจะเกิดปรากฏการณ์คือมีดวงแก้วลอยลงมาอ่าลงมาฝนกับหินเนี่ยนะะตามภูเขาเสียงดังกรากกรากเลย เกิดเป็นประกายสีขาวสดใสกระจายตัวออกมาทุกครั้งที่แก้วฝนกับหินต่างก็ตื่นเต้นค่ะเล่ากันเป็นตุเป็นตะมีพระทุดโงงได้รับทราบมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ว่าแก้วศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยมีอนุภาพบรนดาลได้ทั้งเมตตามหานิยมร่มเย็นแคล้วคลาดปราศจากอุปสรรคแล้วก็อันตรายทาสิ่งใดก็ประสบผลสาเร็จ ผู้ที่สนใจทั้งนักบวชแล้วก็คาวาสผู้สแสวงหาทั้งหลายต่างก็พยายามติดตามเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาแม้พระทุดงต่างๆที่ยังไม่ละวางเรื่องนี้ก็พากันไปนั่งสวดมนต์ภาวนาขอแก้วหยาดน้ำค้างในที่ต่างๆที่คิดว่าจะมีค่ะ บางครั้งก็เกิดปรากฏลอยมาเป็นแสงวิ่งวนเวียนรอบตัวพอลุกขึ้นคว้าก็หนีไปก็นับว่าโชคดีของผู้คนถิ่นนีน้ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระปฏิบัติผู้มีภูมิธรรมสูงส่งจึงรู้ว่าของศักดิ์สิทธิ์เหล่านีน้มีเทวดารักษาแม้ว่าจะขวนขวายไยหาสักเท่าไหร่หากไม่ใช่บุญบารมีก็คงจะไม่ได้มาหรือแม้ได้มาก็ไม่อาจจะรักษาเอาไว้ได้ ส่วนเรื่องคาเล่าลือนี้แม้จะไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนแต่ว่าหลวงปู่โชติอาภักโคที่วัดภูเขาแก้วค่ะท่านก็เคยบอกเอาไวาน้นะ ว, ว่าแก้วที่ว่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าแก้วหยาดน้ำค้างหรือว่าแก้วสารพัดนึกถ้ามีสองลูกครบทั้งตัวผู้ตัวเมียก็จะไม่ไปไหนจะทําอะไรก็ให้บอกเขาแล้วก็จะสําเร็จ ในบันทึกตำนานท้องถิ่นของเทือเขาภูพานนั้นค่ะไม่มีอะไรบ่งบอกเป็นพิเศษแนะ่ะว่าบ่อแก้วหรือว่าถิ่นกําเนิดของแก้วรัตนชาติประเภทใดจะมีก็แต่เรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งเสียสละทุ่มเททั้งชีวิตที่เรียกว่ายอมสละชีวิตเพื่อบูชาธรรมรูปแล้วรูปเล่าแม้แต่ชาวบ้านเหล่าทายกทายิกาค่ะต่างก็ปฏิบัติาศาสนาโดยพร้อมเพียงกันด้วยดีแต่นี่ก็คืออาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะคะที่แก้ววิเศษซึ่งยังมีเทวดารักษาปรากฏ เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2500ถึง2520ค่ะขอบคุณเรื่องราวนี้จากทางด้านของขุนคําจิตจักรด้วยนะคะที่ลงในนิตยสารมหามงคลฉบับที่ 3, 4และก็10ในปีพศ2553นะคะ